เก๋เป็นไงเก๋ก yeah. ็คราวที่แล้วมาหาหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วบอกหลวงพ่อว่ามีอาการเบื่อเข้ามาทีนี้ก็นะเบื่อเจ้าค่ะ เ, เบื่อเข้ามาทีนี้ก็กลับไปดูจะรู้ว่าเราไม่ได้ดูอย่างเดียวเจ้าค่ะเราจะมีตีค่าลงไปด้วยว่าชอบไม่ชอบแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแล้วเราก็เริ่มเลือกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเลยเราจะตีค่าลงไปแม้แต่กระทั่งความโกรธ ก่อนโกรธเราก็จะอย่างนี้ไม่ดีเราถึงโกรธได้อย่างเนี้ค่ะก็ถูกต้องแล้วนะมันเกิดจากการคิดเอาการให้ค่าการคิดยังเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าบอกพระองค์มีการมาราคะไหมบกเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีการมาวิตกในขณะเดียวกันถ้าเกิดไปถามว่ามีโทสะไหมนะก็ต้องตอบบอกว่าไม่มีโทสะเพราะไม่มีพยาบาทวิตก ไม่ได้คิดเอาดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเก๋ใช้ได้แล้วล่ะดีแล้วชมพูซึมไปนิดหนึ่งชมพูพูมากับใครบ้างวันนี้มีเพื่อนเก่เพื่อนพูแล้วก็ข้างหลังอีกเจ้าค่ะโอ้ทำไมเยอะนักเนาะ <c oughs> เคยฝึกกันไหมคนที่ไม่เคยมาส่วนใหญ่เคยเล้ค่ะ <c oughs> พวกเราสนใจการปฏิบัติน่ะดีแล้วแต่ก่อนจะปฏิบัตินะเรียนนิดนึงถ้าเรียนรู้หลักการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะไม่ยุ่งยากไม่เหน็ดเหนื่อยถ้าไม่ได้หลักของการปฏิบัตินะั่นจะเหนื่อยมากเลยคือถ้าเริ่มตั้งแต่เราตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติเนบางคนตั้งเป้าของการปฏิบัติว่าอยากจะเอาความสุขอยากจะเอาความสงบอยากเอาความดีอะไรเงี้ยพวกนี้จะเหนื่อย เพราะไรเพราะโดยธรรมชาติของจิตมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้อยากทําให้มันเที่ยงถาวรอยากให้มันทนอยู่ได้มีแต่ความสุขอยากจะบังคับมันให้ได้ตามใจชอบเนี่ยความอยากอย่างนี้ไร้เดียงสาเราอยากที่ฝืนกับความเป็นจริงของธรรมดาคําว่ากฎของธรมธรมะหรือธรรมนิยามมีกฎนะมีกฎเยอะแยะเลย ที่เราเรียนเนี่เพื่อจะเข้าใจกฎของธรรมดาพวกนี้แหละจนกระทั่งใจเราสอดคล้องอยู่กับคล้อยตามสัจจะความจริงธรรมดาเหล่านี้นี่เริ่มต้นปฏิบัติเราก็อยากให้มันผิดธรรมดาจิตไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขจิตเป็นของบังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้ความอยากอย่างนี้ฝืนความเป็นจริงงั้นดิ้นรนไปเหอะเหนื่อยเปล่าเนาะ อย่างเก่งก็บังคับได้ชั่วคราวด้วยการเพยงเอาไว้พอหมดแรงเพยงแต่มก็ดิดดิ้นขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงจะไม่ลําบากล้วอันนี้เรียนเพื่อรู้ความจริงว่าอะไรว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรียนเพื่อให้มันเป็นเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยคอยรู้คอยดูนะรู้กายรู้ใจไปดูซิ เราบังคับกายบังคับใจของเราได้จริงไหมโดยเฉพาะใจเนี่ยร่างกายมันยังดูบังคับง่ายนะเร่ยนสั่งให้มันหันมันก็หันนะนี่สั่งให้มันหันมันหันได้นะทำไมมันหันได้กระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวได้ตามที่ใจสั่งก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแะก็เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งที่ว่าจิตมันเป็นหัวหน้าจิตมันเป็นนายเป็นคนสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว เราก็รู้สึกว่าแหมเราเก่งเราสั่งความจริงจิตมันสั่งไม่ใช่เราสั่งนะถ้าแยกแยะสภาวะออกได้อย่ารู้เลยจิตมันเป็นคนสั่งไม่ใช่เราสั่ง <นะ S 1> บางครั้งจิตก็สั่งไม่ได้อย่างบางคนเจริญสติมากๆบางทีนอนหลับไปเห็นหน้าร่างกายกระดุกกระดิกทั้งคืนเลยพลิกซ้ายพลิกขวาแต่สั่งให้กระดุกกระดิกไม่ได้เอาแน่ไม่ได้นะบางทีสั่งไม่ได้เหมือนกันมีแต่ขอไม่แน่ ดูเรื่อยๆนะดูไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติว่าคือการทําอะไรเหนือธรรมดาเราเรียนรู้ธรรมดาคือกฎของความเป็นจริงนโดอทั้งใจเราอยอมรับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงมีความสุขความเป็นจริงก็มีสองด้านความเป็นจริงที่ปรุงแตง่งความเป็นจริงที่พ้นความปรุงแตง่งแล้วก็รู้ความเป็นจริงในฝ่ายปรุงแต่งไปก่อนรู้กายรู้ใจนี่แหละ รู้มากข้ามากข้าวพอใจวางเราจะไปพบความจริงที่ไม่ปรุงแต่งพบเองนะไม่ต้องดิ้นรนหานะหาไม่เจอเพอหาเมื่อไหร่ก็เกิดความปรุงแต่งเมื่อนั้นหลายคนอยากนิพพานอยากเจอนิพพานทาั้งทั้งที่ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่อยากได้เวลาทาบุญก็ขอให้ได้นิพพานนะนิพพานนะปัจโยโหตุไม่รู้เลยว่าได้แล้วมันจะดียังไงแต่ว่าอาศัยศรัทธา เชื่อว่ามันดีเราลองทำต้นทางนะต้นทางรู้กายรู้ใจไปพอใจเราหมดแรงดิ้นหมดตันหาหมดการดิ้นจะรู้เลยมีความสุขพอใจเราหมดความปรุงแต่งเรียกว่าวิราคะจะพบว่ามีความสุขนิพพานมีชื่อไหลชื่อนิพพานมีสันติลักษณะลักษณะสงบสงบจากขันสงบจากกิเลส ไม่ใช่สงบแบบบ้างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิพพานไม่ใช่ขาดศูนย์ขาดศูนย์นะั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉะทะทิฏฐิอันะนิพพานว่า ม, มีนิพพานสิอันะนิพพานไม่ได้มีรูปมีนามแต่มีนิพพานคืมีสันตินะนิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะหมดราคะพ้นจากราคะคือไม่อยาก น, นั่นเองหมดตัณหา เราอยากจะเจอนิพพานแล้วใจเราหมดตัณหาเราก็จะเจอนิพพานตัณหามีเยอะนะถ้าลงปฏิบัติเราจะเห็นเลยตัณหาเกิดทั้งวันเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวอยากฟังหรืออยากคิดเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายความอยากจะเกิดตลอดเวลาเลย้หมุน จ, จ, จี๋จี๋อยู่รอบตัวนะตัณหาที่พวกเราเรียนในภาคปริยัตมีสามตัวกามาตัณหาอยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพลิน พราะว่าตันหาอยากได้สภาวะอันใดนหนึ่งที่เพเลิพดเพลินปอใจมีภาวะตันหาอยากพ้นไปจากสภาวะที่ไม่ชอบเแต่เวลาลงมือปฏิบัติเราเรียนตันหาอีกชนิดหนึ่งมีตันหาหกอย่างคือตันหาอยากดูรูปเรียกว่ารูปปตัตนหาอยากเห็นรูปเพราะเราอยากเห็นรูปสมมติเราได้ยินเสียงอะไรครุ้งกลิ้งอยู่ข้างนี้นะเอ๊สงสัยนะอยากเห็นนะอยากดูหันไปดูอ๋อหมามันนอนอยู่ มันอยากดูนะถึงได้หันไปดูเนี่ยคนที่ใส่แว่นนะใจมันอยากรู้เรื่องขึ้นมามันไหลแชปะต่างนั้นอยากดูอยากฟังเนะช่นได้ยินคนข้างบ้านเขาซุบซิบซุบซิบนะ่ะอยากรู้เรื่องนะอยากฟังตั้งอกตั้งใจฟัง ม, มีตันหาอยากฟังในขณะที่ฟังจะลืมตัวเองรู้แต่เรื่องที่ฟังในขณะที่อยากดูรู้ว่าดูอะไรแต่จะลืมตัวเอง ลืมกายลืมใจตัวเองอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องก็อยกคิดคิดใหญ่หาเหตุหาผลใหญ่นะนี่ตัณหามีตั้งหกตัววนจี๋จี๋อยู่รอบตัวเราทั้งวันเลยนะเดี๋ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องคิดดูสภาพอย่างเนี้ยจิตใจจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยนะเหนื่อยไหมจี้จี๋จจจนะจเลยนะยิ่งปฏิบัติตอนท้ายๆนะโอ้โ <c> ห <oughs> หมุนติ้วเลยนะรอบตัวเลยสติปัญญาต้องทันจริงๆเลยแต่อย่าไปหลงทันทางตาทางหูนะนั่นหลงโกนไม่ใช่เรื่กงหลงทันหลงทันรู้อยู่ที่ใจเลยมันจะหมุนจี๋ๆเป็นลูกข่างอะ่ะมันจะตั้งอยู่บนปลายเข็มอันเดียวนั่นแหละไ่ตั้งอยู่บนจิตอันเดียวนั่นแหละที่หมุนจี๋ๆอะ่ะรู้ลงที่จิตที่ใจนี่อันเดียวเลยแล้วรู้ทั้งหมดเลยถ้าหลงไปไล่ทีลานทีลานเวียนหัวตายเลย เพราะมันเร็วมากเลยเนี่ยสภาวะที่จิตใจหมุนติ้วติ้วติ้ ว, วนะวัดตะหมุนอยู่ภายในตลอดเวลานี่ทุกนะ<ม>วันหนึ่งเราคิดดูความหมุนนี่หมดไปไม่มีตัณหาทางทวารทั้งหกตาบูจมูกลิ้นกายใจไม่ถูกตัณหาแท่เหลือแต่กิริยานะดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละดูไปโดยใจไม่เข้าไปเศษดูด้วยกิริยาจิตมันสบายกว่ากันเยอะ นี่เล่าอย่างนี้เพื่อให้เรานึกภาพดูว่าวิราคะจิตที่หมดตัณหาแล้วมันสบายแค่ไหนว่าจิตมีราคะน้ำหมุนจีๆเลยนะลาบากนิพพานมีอีกชื่อหนึ่งวิสังขารไม่ปรุงเราปรุงทั้งวันทั้งคืนนะคิดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็คิดไปเกิดกุศลคิดไปเกิดอกุศลคิดคิดไปเลยเพลินไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้หลงไปอีกลวทีก็เกิดราคะเกิดโทสะ ปฏิบัตินะมีแต่พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้ลำบากปรุงคนโง่ก็ปรุงชั่วปรุงชั่วก็คือปรุงตามกิเลสอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายหรืออยากคิดเรื่องที่สนุกสนานเพื่อเพลินสนองความอยากไปเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายชั่วนักปฏิบัติบับงคับกายบังคับใจเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาพิสังขาร ปรุงแต่งไฟดีรากเงาก็เป็นอวิชาเหมือนกับปรุงแต่งไฟชั่วแหละเพราะว่ามันคิดว่าตัวเรามีอยู่มันอยากให้ตัวเราดีมันก็เลยไปนั่งทํากรรมฐานเพื่อจะได้มีความสุขทําแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยนะเพราะกาลังทําเพื่อเสริมอัตตาตัวตนอยู่แท้ๆเลยต้องค่อยๆฟังนะธรรมะลึกแล้วก็เข้าใจยากต้องค่อยๆฟังนะหลวงพ่อพยายามคลี่เคลียออกมาให้มันง่ายๆหน่อย บังทีเดียวไม่เข้าใจก็เอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกฟังหลายหลหนนะซีดีหลวงพ่อแจกให้ฟรีนั้นต้องฟังหลายหลครั้งรับรองว่าฟังแต่ละครั้งความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกฟังครั้งหนึ่งก็เข้าใจอย่างนี้ฟังอีกครั้งหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคิดดูใจที่มันดิน้นดิ้นทั้งวันนะปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างมันมีความสุขตรงไหนอ่ะ คิดดูว่าถ้าใจเลิกปรุงมันจะมีความสุขขนาดไหนเนี่ยนิพพานคือวิสังขารไม่ปรุงมันสุขขนาดไหนท่านถึงบอกว่านิพพานังประมังสุขขังสุขจริงๆไปที่สุรินจเจอหลวงตาผนึกเพราะ น, นั้นไปวัดท่านปกติไม่ค่อยมีคนเข้าไปนะท่านอายุ88แล้ว ท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็เหนื่อยแล้วคนแก่นะอยู่เฉยๆก็เหนื่อยแล้วท่านก็ไปเอนๆอยู่ในห้องหลวงพ่อไปถึงนะโยมบอกว่าท่านเข้าพักแล้วเดี๋ยวรอว่าเมื่อไหร่ท่านจะออกมาแล้วก็เออไม่เป็นไรเรานั่งที่เราเบียงห้องท่านนี่แหละนั่งแล้วก็นึกถึงท่านนะโอ้ท่านนอนอมยิ้มอยู่นะมีแต่ความสุขนะโอ้มีความสุขมากนะแล้วท่านเห็น ว่ามีแขกมาท่านก็เลยออกมาเดินยิ้มออกมาอีกเนี่ยนอนก็ยิ้มแล้วเดินออกมาก็ยิ้มอีกนะโอ้มีแต่ความสุขมาถึงก็มานั่งนั่งก็มีความสุขอีกละเราก็นึกว่าโอ้ท่านนอนก็สุกนะท่านเดินท่านก็สุกท่านนั่งท่านก็สุกเลยท่านก็หันไปยิ้มหวานเลยปฏิบัติแล้วนะนอนก็มีความสุขนั่งก็สุขนะเดินก็มีความสุขยืนก็สุขนะออแต่ร่างกายไม่สุขนะอร่างกายมันชํารุดทุดโทรม แต่จิตมีแต่ความสุขทั้งวันทั้งคืนอย่่างนี้แหละความจริงจิตของคนที่ท่านภาวนาเก่งๆเนี่ยไม่ใช่มีแต่ความสุขจิตจะมีอุเบกขาออย่างหนึ่งเวลาที่ต้องมาสัมผัสกับโลกเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขาเวลาอยู่ตามลําพังอยู่กับสภาวะของนิพพานอยู่กับอะไรนี้นะจิตจะมีความสุขการที่คนเคยเห็นนิพพานแล้วจะเข้าไปรู้นิพพานอีกเนี่ยมีสองทางนะ มีสองทางอันหนึ่งรู้สังขารนี่แหละรู้รูป ร, ร, รู้นามไปนะใจมันเคยวางมาชำนิชำนาญเนี่ยพรารู้แว บ, บเดี๋ยววางทิ้งหมดละเข้าไปเห็นนิพพานอีกอันหนึ่งมนาสิการคือนึกถึงนิพพานก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าอยู่แนละ้วไม่เคยหายไปไหนเลยเข้าได้สองทางนี่หลวงพ่อจำตำรามานะในตำราสอนไว้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดโมเมลเองในตารามีทั้งนั้นแ่ะแต่เวลาห้างนะ ต้องคิดนานหน่อยจำไม่ได้มเล่มไหนบางองค์ท่านจำแม่นหน้านั้นเล่มนั้นสูตรนั้นหลวงพ่อเวลาจะคนมาถามว่าเล่มไหนทีต้องไปค้ น, คนทีหนึ่งเวลาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งก็ยุ่งทีหนึงคนไม่ค่อยเจอซอฟ์บแวร์มันเปลี่ยนคนมาใหม่ๆฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจธรรมะไม่สามารถเรียนได้ด้วยการฟัง มารเรียนได้ด้วยการเข้าไปเห็นด้วยตัวเองวิธีที่จะเห็นสภาวะธรรมกายใจรูปนามได้เรียนตรงที่ผิดนะถ้าเรารู้จักว่าจิตเผลอไปเป็นยังไงจิตเพ่งไว้เป็นยังไงเมื่อไราจิตเผลอไปเรารู้ว่าเผลอเมื่อนั้นจะเกิดความรู้สึกตัวอัตโนมัติเลยส่วนใหญ่เวลาใจมันเผลอเนะี่ยมันอยากได้อารมณ์มันจะเพลินไปจะ ไ, ได้เพลินไปตรงเพ่ง น, นะมันก็อยากสงบ จิต <laughs> ใจเราน่าสงสารเนาะน่าสงสารยิ่งกว่าลูกกาําพรายน่าสงสารเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติด้วยกิเลสเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราทำด้วยกิเลสนําหน้ า, าแทบทุกคนเลยนะมันถึงไม่ค่อยได้ผลสํารวจใจของเราดูให้ดีรู้ให้ทันกิเลสเวลาเราจะปฏิบัติ อย่าเราปฏิบัติเพราะเราอยากจะมีความสุขอยากมีความสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนี่ปฏิบัติเพราะโลภปฏิบัติเพราะราคะบางคนก็ปฏิบัติอยากจะให้มันพ้นจากความวุ่นวาย <c oughs> อยากจะให้มันพ้นจากความทุกข์ <c oughs> อยากให้มันพ้นมัตตสงสารนี่ปฏิบัติด้วยโทสะพวกหนึง่งปฏิบัติด้วยโมหะอยากปฏิบัติ ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะมั่วๆไปหลงๆไปคิดว่าทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติหวังว่าจะได้โน่นได้นี่นะนี่ก็โลภหวังว่าจะพ้นโน่นพ้นนี้นะนี่โทสะปฏิบัติไปแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะนี่มูหันหลงอยู่แท้ๆเลยเรียกว่าปฏิบัติเลยเกือบทั้งหมดนะนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดหลงอยู่แท้ๆเลยนึกว่าปฏิบัติอยู่ฟังหลวงพ่อแบงไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกใจนะ ปกติเขาฟังกันสองสามครั้งรู้เรื่องต้องแบบคุยกับพระนะต้องมีทูตียมปีตติยมปีนะฟังสองสามรอบสองสารอบรหัสสังเกตสภาวะอยากคิดเอาธรรมะคิดเอาไม่รู้เรื่องฟังหลวงพ่อรหัสสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยฟังไปแล้วเดี๋ยวก็ใจลอยหนีไปที่อื่นฟังแล้วเดี๋ยวก็สนุกสนานจิตใจเบิกบาน ฟังไปเดี๋ยวใจก็ชักซึมซึมทื่อๆอย่างขนาดนี้ใจเริ่มซึมเริ่มทื่อแล้วรู้สึกไหมส่วนใหญ่ในห้องใจจะเริ่มทื่อๆกลุ่มเนี้ยนี่หลงเลยชาวเชียงใหม่หลงไปแล้วหนุ่มที่ใส่แว่นตานหันไปดูเขาลืมตัวเองค่อยๆรู้สึกนะค่อยๆหัดรู้สภาวะไปหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรที่จะต้องคิดมากหรอกหลวงพ่อหัดให้ดูสภาวะเท่านั้นเอง ถ้าเราดูสภาวะเป็นแล้วสติสมาธิปัญญาวิมุตต์วิมุตต์ยนานทัศนะเนี่ยจะเกิดขึ้นเององั้นเราต้องฝึกจนสติเกิดสติจะเกิดได้เมื่อจิตจำสภาวะได้งั้นฟังธรรมะหลวงพ่อฟังเพื่อหัดดูสภาวะเท่านั้นเองเมื่อกี้ใจหายไปแวบหนึ่งทราบไหมตรงที่พยักหน้าอย่างเงี้ยมันลืมตัวเองวับไปเลยนะเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วทราบไหมหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ยากอะไร เด็กเล็กๆยังทำเป็นเลยวันก่อนมีเด็กสิบเอ็ดขวบมานะหลวงพ่อถามปฏิบัติอยู่มากวันนั้นมันตอบชาชาๆๆชผู้ใหญ่นิสันเลยบางคนอ่ะ <c oughs> ทำไมเด็กมันทำง่ายมันดูซื่อผู้ใหญ่ดูแบบมีชั้นเชิงเมื่อก่อนหลวงพ่อสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเล่นกระ บ, บีก่กระบองนะ แม่เราก็เรียนนะมีท่าโน้นท่านี้นะเสร็จแล้วหลวพ่อพบว่าท่าที่ดีที่สุดคือท่าไหนรู้ไหมตีหัวมันตรงๆอ่ะแม่นที่สุดเร็วที่สุดเฉียบขาดที่สุดของเรานักปฏิบัตินะกิเลสเกิดขึ้นรู้มันเข้าไปตรงๆสิตีหัวมันเลยะรู้มันตรงๆนะมัวแต่รำอ้อมค้อมอยู่นั่นแหละรำไปปอบไปป้อบมาไม่ได้กินหรอก รู้มันเข้าไปตรงเลยนะใจลอยไปรู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นตุกเป็นกุศลอะกุศ ล, ศลรู้เรื่อยๆไปสวมหัวใจเด็กๆไว้คนไหนที่ปฏิบัติมามากๆเกินใจทื่อๆนะลองนึกถึงก่อนที่จะปฏิบัตินึกได้ไหมจิตใจของเราตอนเด็กๆก่อนที่เราจะปฏิบัติจนะิตอย่งนั้นอะซื่อๆใสๆนั่นแหละดีที่สุดเลยจิตอย่างนั้นแหนะละเป็นจิตที่เหมาะกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลา จิตของผู้ใหญ่เรียนรู้อะไรยากแล้วพวกชาล้นถ้วอยอนะเด็กมันซื่อใสๆนะมันมีอะไรให้รู้มันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดมากหรอกของผู้ใหญ่คิดมากยากนานสวมหัวใจเด็กไว้นะถ้าใครเคยปฏิบัติมากๆจนกระทั่งหัวใจเด็กหายไปแล้วลองนึกถึงก่อนปฏิบัตินะใจที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่สุดอสบายๆ น, นั่นแหละเบาๆสบาย ใจที่ผิดธรรมดาแนละ้วเราไปสร้างขึ้นมาตอนโตนี่เองคนโบราณเขาแต่งกลอนนะบอกอยากทําได้ถามหญิงต่ําหูกหยาบอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงปวายนี่เ <c oughs> ป็ถามเด็กเลี้ยงปวายนี่ซื่อใ ส, ส่ดูง่ายแ <c oughs> ไปถามว่าจะปฏิบัติยังไงดีชอบเด็กเลี้ยงปวาย <c oughs> มันจะตอบถามไม่เป็นหรอกทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้นั่นแหละธรรมละล่ะ ถ้าปูททำได้มันก็เป็นอัตรานะทำไม่ได้หรอกแต่รู้มันไปรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆไปหลวงพ่อคำเกียรติชอบสอนให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆสารดีนะเอา้าคุณส่งกันบ้านเนยะวันนี้เป็นไงนั่งหลังนะที่ปลูกไทยอะจิตตอนนี้กับที่มา จิตที่มาวันนี้กับมาวันก่อนเนี้ยต่างกันยังไงดูออกไหมมันก่อนสงสัยเยอะครับออมาด้วยคำถามครับแตออ่วันนี้คือมแค่กราบหลวงพ่อเฉยๆใช่จิตวันนี้แหละดีมาแบบไม่ได้หวังอะไรจิตที่มาหวังจะหาคำตอบมากมายนะมาด้วยความคับข้องใจในการปฏิบัตินะให้เรารู้ทันมันลงไปเลยนะอย่าไปหลงกลมันนะยังข้าก่อนนะ มันสงสัยมันครับห้องใจอยากจะได้คําตอบจิตใจไม่สบายมาวันนี้ไม่ได้มาหวังอะไรเลยใจโปร่งโรงโล่งโล่งมามันโล่งโล่งรู้ว่าโล่งโลงโปร่งโปรงรู้ว่าโปร่งโปร่งไม่เคยรู้ถึงความโล่งอะครับอไม่เป็นไรนะค่อยๆดูไปแต่รู้สึกว่าหลังๆนี้รู้ว่าเราทุกข์เพราะเรามีสัญญาอยู่อ่ะเออ นั่นแหละดีแล้วนะค่อยๆเรียนรู้ไปจริงๆมีคําถามนะครับฮะมีคําถา ม, ถามอีกเหรออให้ถามคือจากคอนเซปต์ตรงเนี้ยคือว่าความทุกข์ที่มันเกิดจากสัญญาใช่ไหมฮะพอเรารู้ว่าเรากําลังมีสัญญาตรงนี้อยู่เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราควจะมาอยู่กับปัจจุบันนะเอแล้วมันก็ความทุกข์นั้นมันก็หายไป อ, อย่างนี้ดีแล้วปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับถูกต้องแล้ว แสงเจนไหมมันมีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสภาวะธรรมอันนั้นก็ดับไปมันก็ไม่ดับคือมันดับเพราะเราไปหยุดสัญญามันนี่ครับไม่ใช่เพราะเราไปรู้ทันมันเข้าเราไม่ไปช่วยมันคิดต่ออาศัยสัญญาก็าเลยเกิดสังขารคือปรุงแต่งงั้นตัวสัญญากับเวทนาเนี่ยมีเชื่อหนึ่งว่าจิตสังขารตัวปรุงแต่งงั้นสัญญาถุดขึ้นมา สักว่าราลึกรู้ไม่เป็นช่วยมันต่อนะมันก็ดับลงตรงนั้นใจก็ไม่มีภาระที่จะต้องดิ้นรนแต่เดี๋ยวมันก็ต้องดิ้นใหม่เวลาทํากรรมฐานอย่าไปสนใจตัวสัญญามากนักดูตัวสังขารไว้ดูตัวเวทนาไว้ดูกายไว้ดูจิตไว้ที่ตอนนี้รู้สึกคุณคิดเยอะเพราะว่าพอ่อพอพูดปุ๊บมันก็มีคําถามมาเรืเอ่อย ได้เลยดีแล้วดีที่เห็นนะเห็นไหมพอฟังใจก็คิดพอคิดก็สงสัยพอสงสัยก็อยากถามพอถามได้คําตอบก็จําไว้ได้ความจํากลับบ้านได้แค่นั้นเองไม่ได้ความจริงนะความจําไม่ใช่ความจริงแต่ว่าพอคิดก็เกิดความสงสัยเราเห็นเลยตะกี้ไม่สงสัยตอนนี้สงสัยนี่จิตไม่เที่ยงนี่ตัวนี้ได้ความจริงกลับบ้านนะได้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง บางครั้งเราเราไม่แน่ใจระหว่างคือความสงสัยมันน่าจะมีส่วนดีของมันอยู่ก็คือว่าพอเราสงสัยแล้วได้คำตอบเนี่ยมันเหมือนกับเราเห็นถูกขึ้นไปเร่เราเ ร, เราไม่เอาขนาดนั้นหรอกนะเห็นอย่างนั้นยังต้องจําไว้มันกลายเป็นว่าเราจําไว้จยเห็นถูกเนี่ยเราเห็นสภาวธรรมที่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นตรงนี้ต่างหากไม่ต้องรู้อะไรมากนะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดารู้เท่านี้พอละะ รู้สึกไม้มความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวรู้สึกไหมความทุกข์เกิดก็ชั่วคราวรู้สึกไหมความโลภอยู่ก็ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปตอนนี้เห็นว่ามันหายเพราะเพราะต้นเหตุมันหายนะครับถูกต้องแล้วแต่มันไม่หายคือเรายังไม่เห็น ถ, ถึงความเป็นไม่เที่ยงของมันนะครับโอ้ไอ้การที่มันมีอยู่แล้วไม่มีอันนั่นแหละแปลว่าไม่เที่ยง คำว่าไม่เที่ยงไม่ไม่ใช่แปลว่าอย่างอื่นนะไม่เที่ยงเนี่ยตามสภาพมันเลยก็คือมันเคยมีแล้วมันไม่มีมันไม่เที่ยงแล้วจริงมีคำถามึลยนะครับโอ้ช่างคิดก็ถามเยอะเอาให้อีกคำถามหนึ่งเอแต่ว่าคุณเห็นถูกแล้วนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะพอมันมีเหตุมันก็เกิดถ้าเหตุมันดับมันก็ดับ ที่เห็นนั่นแนหะเป็นธรรมะล้วนๆเลยนะที่คุณพูดมานะถูกต้องแล้วทั้งนั้นแหละคือมจะต่อไปเรื่อยๆครับคือคือคือเห็นว่ามันมีเฉตแล้วก็มันมีผลอยู่เอ่าครนี้คือเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมันเหมือนจะมันจะไม่จบอะครับไม่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคุณอย่าอยากให้จบนะคุณอยากให้จ บ, นะจบไม่จบหรอกเพราะว่าความอยากยังครอบงําอยู่ครนนี้ขอถามคำถามที่สองครับ คือหลังๆนี้เลยใช้การตามรู้ในในการทำงานไปเรื่อยๆครับมันก็เลยกลับมาที่ว่าต อ, อนนี้พอจะเดินจงกรมปบนี่มันเหมือนกับไม่รู้จะเดินไปทำไมนะครับเพราะมันเราจะเดินหรือเราจะทำงานมันก็มันก็เหมือนกันมันในดันเดียวกันแหละทีนี้ก็เลยประเดี๋ถ้าถ้าเดินเป็นนะเดินจงกรมหรือปฏิบัติเป็นเนี่ยเราจะพบว่าทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกเดินจงกรมหมด จะเดินที่ไหนเดินในห้างสรรพสินค้าเ็าเรียกว่าเดินโจงกลม mm. นั่งอยู่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่มีสติอยู่ก็คือปฏิบัติอยู่แล้ว mm. แต่ว่าการทำตามรูปแบบนี่ mm. มีประโยชน์ mm. การที่เรารู้อยู่ในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะบางครั้งจิตมันหมดกำลังได้พอจิตหมดกำลังเนี่ยมันจะไปดูแล้วก็จัดกระจายออกไปเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงใจจะไม่ตั้งมัน่น ดน้นการทําในรูปแบบนั้นก็ยังมีประโยชน์เพราะฉะนั้นตกคําไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรย่างนี้ไม่ล้าเลยนะเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําแต่ว่าทําแล้วมันจะพลิกแปลงไปหลายแบบแบบหนึ่งทําไปแล้วเคริ้มเคริมไปขาดสติอันนี้ใช้ไม่ได้ที่สองทำแล้วจิตเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นอันนั้นได้สมถะได้พักผ่อนที่สามมันเห็นร่างกายทํางานไปใจเป็นคนดูอันนี้ทํำวิปัสสนาดูกาย ยังไม่ได้ไม่เป็นลายข้ามไปอย่างที่สนีะ่เช่นเรานั่งพุโทโธนั่งหายใจอะไรก็ได้ทํากรรมฐานอย่างที่เคยทํานะอะไรก็ได้นะแล้วหัดดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปเราจะดูจิตออกแสดงว่าก็าแสดงว่าที่ผมเข้าใจว่าคือความเข้าใจ ท, ที่บอกว่าเวลาเดินจงกรมแล้วเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ความหมายอะไรมันก็เหมือนกับเราปฏิบัติทั่วไปจเจริญสติทั่วไปในการทํางานในชีวิตประจําวัน ยังไงนะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินผมผมว่าผมเข้าใจแล้วครับผมขอไปคิดต่ออีกหน่อยไปคิดต่อนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้หลวงพ่อค่ะจิตเป็นยังไงป้อมทำไมมันไม่แช่มชื่นเบิกบานก็เหมือนกับ ที่บอกหลวงพ่อคราวที่แล้วค่ะมันยังค่อนข้างเบลอแล้วก็ตอนนี้เวลารู้สึกว่ามันเบลอเนี่ยก็พยายามหันไปดูกายแทนว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งเวลาต้<อ>าท <ำ S 2> นะเวลาดูกายอะ่ะไม่ใช่ดูว่าขณะนี้ทําอะไรอยู่นะเวลาดูกายเนี่ยดูให้เห็นว่าไอ้ตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก ถ้าไปดูว่าอตอนนี้กายกาลังกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรขึ้นมาหลวงพ่อคะแล้วเวลาทําสมาธิเ อ, อเวลาบริกรรมว่าพุทโธเนี่ยค่ะแล้วจิตมันคิดเผลอเรื่องอื่นเนี่ยอื ม, มันเหมือนมันซ้อนอยู่ตลอดเวลาเอราก็รู้ทันว่าจิตเป็นอย่างนี้เหมือนกับซ้อนกันสองอันแล้วพุทโธก็พุทโธไปคิดเรื่องอื่นก็คิดไปเพราะมันพุทโธจนอัตโนมัติแล้ว แต่ว่ า, ามันก็คิดแบบเลอะเลอบางทีพุโทโธจะหายไปเลยอ่ะค่ะออแล้วก็จะไปเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องอื่นเอยแล้วก็ให้รู้ทันว่าใจเตลิดเปิดเปิงแล้วพุทโธเพื่อจะรู้ใจนะเพราะคําว่าพุทโธคําว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเรา น, นั่ยแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเราพุทโธพุทโธก็เพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองไปพุทโธแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ จิตมันหายไปเลยก็รู้แต่อย่าให้หายนานนะหายนานาน่าเกลียด อ, อยากทราบว่าอยากทราบว่าพอดีการดูฝึกดูจิตเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราดูจิตไปสักระยะหนึ่งก็จะตามทันว่าเรารู้สึกยังไงมีอารมณ์ยังไงแต่พอสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนสิ่งที่เราดูหรือจิตที่เราดูจับไม่ได้แล้วมันหายไปดูก็เลยพยายามคิดว่าก็เลยเริ่ม ใช้วิธีว่าพอเมื่อไหร่ที่เราจิตมันหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เลยเอากายเป็นฐานแทนก็เลยมาดูที่กายก็เลยอยากทราบว่ า, าวไม่ทราบว่าวทําถูกหรือเปล่าคือถ้าสติเกิดแล้วนะนะดูอะไรก็ได้นะถ้าคนไหนถนัดรู้กายเนี่ยสติรู้แล้วสติเกิด น, นะก็รู้กายไปไม่จําเป็นต้องดูจิตการดูจิตไม่ใช่โซลูชันนะไม่ใช่ทุกคนต้องดูนะค่ะหมายความว่าคือว่า พอดูจิตไปแล้วเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเป็นจดิตของของหนูอะคะ่ะที่หนูแฮปปี้ที่จะดูจิตคือรู้สึกว่าไปได้สมูทมากเอ่อก่อนสมูทก็เอาค่ะแต่พอทําได้ระยะหนึ่งเนี่ยนานพอสมควรตอนนั้นจะรู้สึกว่าเบิกบานแล้วก็ไม่ได้ยึดติดก็ทราบว่าเบิกบานแล้วก็ดูได้เรื่อยๆเสมอๆในระยะหนึ่ง เ, เมื่อดูไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างที่อยู่ดีรู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เหมือนกับเราดูไม่ได้แล้วออ แล้วดีดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็เลยอ่านหนังสือมฟังซีดีบอกว่าบางคนเนี่ยก็มีจริตที่เหมาะกับ ก, บการดูจิตบางคนก็ดูกายหนูก็เลยบอกว่าพี่เคยรู้ว่าถ้าอะไรเด่นก็ดูอันนั้นหนูก็เลยสมมติว่ากลับมาดูกายใหม่ละกันถ้าถ้าตรงนั้นเนี่ยเกิดออฟแจ็คหนูว่าติดขัดอะไรเนี่ย<อ>ก็ดูกายอพอดูกายสักระยะหนึ่งหนึ่งก็มีแรงขึ้นมาก็กลับไปใหม่ไปดูจิตเออทําอย่างนี้ได้ไหมคับได้ได้ถูกแล้ว คือการปฏิบัตินะมีแนวรุกแนวรับนะอดูจิตได้ดูจิตไปวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายะเวลาดูกายก็เห็นกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะใจเป็นคนดูดูไปดูไปพอมีแรงมันก็กลับไปดูจิตเะฉะนั้นวันไหนดูจิตได้ดูจิตไปวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายวันไหนดูกายก็ไม่ไหวทําสมถะสมถะเป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายนะ นี่ทําสมถะไม่เป็นทําไงเดียสมถาเยอะแยะสมถาง่ายหมายถึงว่าถ้าเราจับแล้วเนี่ยเราไม่สามารถดูวันไหนเกิดรู้สึกว่ากระเจิงเนี่ยให้กลับไปที่สมถะใช่ไหมคะใช่กระเจิงหมายถึงกระเจิงแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนะถ้าใจาาฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอันนี้ดูจิตอยู่นะค่ะอะรู้สึกว่าเราฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาที่แต่ยังจับกายได้อยู่ แต่พอก็รู้สึกว่าความฟุ้งซ่านนี่ก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่อย่าไปเกลียดมันไม่ได้เกลียด <c oughs> แต่อยากจะทราบว่าขนทางไหนวิถีไหนเนี่ยเนี่ยน ะ, ะที่ทําอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะมีแนวรุกแนวรับเอาแต่หลวงพ่อจะบอกไว้เรื่องหนึ่งนะเป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติทุกคนทุกขั้นตอนด้วยวันหนึ่งปฏิบัติไปเหมือนมรคนิพพานจะอยู่ต่อหน้าต่อตาละสติปัญญาแนละหมุนจีได้เกิดทั้งวันเลย อีกวันหนึ่งเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นแนะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะอะไรเพราะจิตกาลังสอนธรรมะอีกบทเรียนหนึ่งแต่เราเรียนไม่ทันเรานึกเหลือว่าเราจะฝึกแล้วจิตจะดีขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันทุกวันจิตเที่ยงเหรือจิตเป็นอัตตาหรือกวามจริงจิตกาลังแสดงความเป็นอนัตตาให้ดูแกอย่ามาบังคับฉันเลยฉันไม่ยอมกหรอก ถ้าตกใจเท่านั้นนะรวนเป็นเดือนๆ เ, เลยชมพูเคยเป็นเนี่ยชมพูภาวนาเก่งนะตัวยาวๆเนี่ย <c oughs> เหมือนนักบาสหญิงเนะี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมันดูไม่ได้เหมือนที่คุณว่ามันดูไม่ได้แล้วใจตกใจยิ่งดิ้นใหญ่เลยโอ้ยทยําทยัางไงทํำยังไงนะเสียไปสองเดือนเลยจนกระทั่งหมดแรงดิ้นเออทําไงก็ทําไม่ได้ช่างมันเถอะพอช่างมันเถอะจีก็ตื่นขึ้นมาเลย เป็นทุกคนนะแท้จริงไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่สอนธรรมะเราทั้งนั้นเพียงแต่เราไม่เห็นไม่เข้าใจอย่างบางวันจิตเสื่อมจิตเสื่อมแล้วก็สอนธรรมะน ะ, ะเราจะเอาแต่จเจริญเป็นธรรมะใช่ไหมไม่มีเสื่อมเออแท้จริงการปฏิบัตินะมันจะเป็นกราฟนะเหมือนกราฟมันไม่ได้กราฟขึ้นแบบนี้นะไม่ใช่ดีแบบนี้นะการปฏิบัติมันจะอย่างนี้นะเ<ม>ทรนด์ของมันระดับที่ดีขึ้น แต่แต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเอาแน่ไม่ได้แต่มันจะตกใจตอนที่มันเสื่อมนานเกินไปค่ะบางทีมั น, น <ทำ S 1> หลายวั น, ว น, นมากนะเกิดจากอะไรคําว่าเกินไปเกิดจากคาดหวังว่ามันน่าจะน้อยกว่านี้ไม่ยายไม่คิดด้วยนะคะไม่หาเหตุผลด้วย <S <S เสื่อมก็เสื่อมไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่จะด<ม>ีสังเกตไหมใจมันไม่ชอบใจมันไม่ชอบเนี่ยมันไม่เป็นกลางที่หลวงพ่อบอกมันไม่เป็นกลางเพราะฉนั้นใจมันเสื่อมเพราะมันเสื่อมไม่พอใจเพราะมันเจริญพอใจ พอเจริญวราคะแฟกกพอเสื่อมโทสะแฟกเพราะอะไรเพราะยืนพื้นด้วยโมหะไม่รู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่อจะให้ได้เห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ดับมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมนะถ้าเข้าใจตรงนี้นะจะไม่ตกใจเวลาเสื่อมแต่ถ้าไม่เข้าใจจะตกใจว่าแย่แล้วแย่แล้วพอแย่แล้วยิ่งดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อม แต่ที่คุณบอกว่าอุตส่ารู้เฉยๆแล้วนะแต่ทำไมไม่ดับสัทีเห็นไหอยากให้ดับนะสิเห็นไห้ออฟังหลวงพ่อแล้วสักครู่ตะกี้ก็เลยเพิ่งหลุดนะครับเพราะว่ามีการปรุงแต่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ดิน้นก็รู้ว่าสภาพของการดิ้นเนี่ยมันไม่ถูกก็พยายามบางครั้งก็คือไม่ได้ทำอะไรแต่จะเห็นผลของของการพังเผอ จึงออกผลออกมาเป็นปรากฏการ์อย่างหนึง่งนี้บางครั้งสภาพรู้ไม่ทันบ้างก็จมเหมือนกันก็เห็นเพิ่งหลุดสักครู่นี้เองเพราะว่าเพิ่งมานึกได้ว่ า, าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ก็เพิ่งจะหลุดนะครับหลวงพ่อเล่านะสมัยที่หลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ปวดห อ, อกหลวงพ่อเขียนกระดาษไว้นะแปะไว้ข้างฝา บอกว่าอย่ายึดจิตเห็นแต่ว้ในจอคอมพิวเตอร์ไอตัวเซฟจอก็เขียนว่าอย่ายุดจิตเวลาเราปฏิบัติไปช่วงหนึ่งเราจะเข้าไปตะลุมบอลพอตะลุมบอลเนาะโอ้ตายแล้วเสื่อมไปหมดแล้วทํายังไงดีนะพอหันมาเห็นใ้กระดาษนี่อ๋อมันอยากให้จิตดีอยู่เนี่ยมันยึดจิตอยู่มันอยากให้จิตดีอนะดตออตดพอเห็นตรงนี้นะั้นมันก็เลิกดิ้นเลิกที่มันก็ดีเลย บางบางครั้งก็คือเห็นปรากฏการ์มันซ้อนอยู่ในหลายๆมิตินะครับว่าการมองสภาวะธรรมตรงหน้าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นจุดย่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสภาวะธรรมที่ซ้อนอยู่อีกหลายๆชั้นมีการหมุนวนของมันเป็นเป็นวงล้อเล็กๆใหญ่ๆเป็นชั้นๆขึ้นมาเรื่อยเรอๆๆเยเรอ <hone> นะครับ เพราะว่าพอตะกี้นี่ก็ยังติดอยู่ติดก็รู้ว่าติดก็ไม่พยายามที่จะดิ้นมากเพราะว่ายิ่งดิ้นมากก็ยิ่งทุกข์มากถูกแล้วครับนะคือตัวสภาวธรรมแต่ละตัวนะก็แสดงธรรมมาให้ดูกระบวนการทางานของจิตก็แสดงธรรมมาให้ดูมีหลายชั้นนะจนถึงวัดตาอันใหญ่ทางสารวัตเนี่เวียนตายเวียนเกิดนี่ก็เป็นวงอันใหญ่ในวงอันใหญ่มีวงเล็ก ในวงเล็กๆย่อยๆลงไปถึงขีดสุดมีสภาวะธรรมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นสภาวะธรรมแต่ละชิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีวงรอบของมันจะเห็นว่าพวกนี้มันเป็นเหมือนปรากฏการขององค์ประกอบ<ช>ทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่มีการเคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างเดียวเลยนะครับใช่ไม่มีตัวไหนที่หยุดนิ่งแต่ว่าอาศัยเหตุประกอบกันมาแล้วก็สลายกันไปเออนะทั้งรูปทั้งนามบางครั้งเวลาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเรียกสมมุติคือไม่รู้จะเรียกสมมุติอะไรนะครับ อินเป็นแค่ปรากฏการเฉยๆเออดีแล้วนะะคถ้ายังพูดได้ว่าอันนี้คืออันนี้ น, นี่คืออย่างนี้นะจิตยังปรุงแต่งอยู่บางครั้งก็ไม่เรียกว่าดีหรือเลวบุญหรือบาปมันจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ปรากฏการผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเออนะดูอย่างนั้นเลยดีแล้วดูไปเรื่อยๆจะไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเลยนะเหมือนเราปลายเข็มจุ่มลงไปในกระดานนั่นเนี่ยไม่มีเราตรงไหนก็ไม่มีเป็นปรากฏการที่เคลื่อนที่ทั้งระบบเลย ตั้งแต่เล็กที่สุดในอนุจนถึงในจักรวาลเ่อนที่หมดเลยเป็นอันเดียวกันอยู่ในกฎอย่างเดียวกันอักคู่นินนครับอนลงครับไม่ไม่ได้โหมแล้วครับก็รู้สึกว่าสบายขึ้นแต่ว่าบางบางครั้งก็จะเห็นว่าสภาวะที่รู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมือนสมองมันจำได้มากกว่ามาที่จิตจำได้ กระทั่งความรู้ในธรรมะนะสมองมันจาแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจคนโบราณตั้งศัพท์เก่งนะว่าเข้าใจอะเข้าถึงใจจริงๆนะแล้วที่จะข้ามพบข้ามชาติจริงๆต้องให้จิตมันเข้าใจถ้าอยู่ในสมองนะเดี๋ยวสมองฟอก็ลืมหมดแล้วดูต่อไปเรื่อยๆใช่แต่วันเนี้ยใจไม่กระตี้กระเปล่านนะใจอ่อนไปนิดนึง แอคทีฟนิดหนึ่งหายใจแรงๆหน่อยลู้ขึ้นมาสู้หน่อยพอดีเมื่อวานหลวพ่อบอกว่าอย่าโหมมากนครับว่าอย่าอย่าหมายถึงว่าให้อืดไว้แต่ว่าอย่าลุยลุยอ๋อแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้อืดจนเอื่อยนะเนี่ยบางทีมันก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปอย่าเราขับรถใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เหยียบเบรกเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยแล้วดูจังหวะมันอาจจะเมื่อวานผ่อนมากไปหน่อยนะเฉื่อยไปนิดนึง ก็ไม่ทราบจะพูดหรือจะถามอะไรนะคะแต่ว่าออขอให้พระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยนะคะที่ทําอยู่ใช้ได้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมแต่เดิมใจเราจะไหลไหลไหลไปคิดเราไม่เคยรู้ว่ามันคิดตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาใจมันไปคิดเป็นยังไงให้รู้บ่อยๆฝึกอย่างนี้แหลอะอ้ออถึงอ้อแล้ว อเผอเพลอบ่อยนะหลวงพ่อก็กิเลสก็เกิดบ่อยขึ้นนะคะดีแล้วอ้อหลวงพ่อชอบแล้วก็อย่างนี้บางทีเพลอหรือเพ่งไปมันมันรู้เร็วขึ้นเออดีเลยดีคแต่ช่วงนี้ผัดสายเยอะค่ะหลวงพ่อผิดมันก็เลยรู้สึกช่วงไหนก็ผัดสายเยอะนะไม่ค่อยตังค์มากทุกเยอะก็ผัดสายเยอะทุกวันแหละยตามองเห็นหูได้ยินใจคิดก็เหมือนกันทุกวัน ไม่มีนะช่วงนี้ผัสสะเยอะช่วงนี้ผัสสะน้อยเ <c oughs> พราะผัสสะเกิดตลอด <c oughs> ชิปปะไหมชิปตอนนี้รู้สึกเหมือนโมหะมาก อ, อ, อึอถูกต้องแล้วอ่ะกุ่งอ่บก็ความอยากเยอะมากก็ค่ะอยากดีอยากทุกอย่าง น, นี่ไงเราปฏิบัติดต้วยกิเลสที่ลงพ่อบอกอ่ะ ปฏิบัติด้วยราคะบ้างเช่นอยากดีอยากสงบอยากสุขอยากรู้ธรรมปฏิบัติด้วยโทสะว่ากลัวกลัวไม่ดีกลัวไม่สุขกลัวไม่สงบกลัวไม่รู้ธรรมนะแต่พอบางครั้งมันก็จะหายไปบางครั้ง ม, มันก็จะเยอะขึ้นก็จะดูดูไปนะแค่สภาวะอันใดอันหนึ่งก็สแสดงไจรักขึ้นมามีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีเรื่องทีอย่างเมื่อวานที่บอกหลวงพ่อว่าขยับมือหรือว่าขยับเท้าเนี่ย ก็จะเห็นว่าเขาวิ่งไปแล้วเ้าก็รู้รู้ทันจิตวิ่งไปก็จะรู้ทันบางทีเนี่ยคิดว่าจะขยับเท้าเนี่ยเห็นว่ากาลังอยากจะขยับเท้าเพื่อที่จหไปรูอตัวเออดีแล้วนะสติเราเร็วขึ้นแล้วพึ่ง น, นะพึ่งก็จิตก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงแล้วก็เห็นความอยากตัวใหญ่มากยังมีความอยากอยู่ยังอยากปฏิบัติอยากดีอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่น้อยกว่าไม่เย็นวานไม่เย็นวานแรงกว่านี้แรงถึงจุดที่คับห้องใจแล้วยังเมื่อเช้าตื่นมามันมัวมวใจก็รู้เลยว่าอยากดีแล้ว ก, มมก็ทุ่มมากทุ่มมากเออดีที่รู้ทันขอบคุณยายขอบคุณยยครับวันนี้ก็ตื่นมาแล้วอยากปฏิบัติเลยใช่ไหม หยิบขึ้นมาเลยอ๋อหยิบมาเลยหยิบมาเลยแล้วดูค่ะแล้วพอดูรู้ไปรู้ไปเดินจงกรมแล้วรู้รู้ไปแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนกับเบาพอเบาแล้วเหมือนกับเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยแล้วดูแต่ว่ารู้รแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอือแต่มันสบายเต่แต่ย่ยอยู่นานถ้าอยู่ตรงนี้นานต้องแก้จะแช่ใช่ไมมันจะแช่ ถ้มันสบายแล้วเสร็จแล้วเพอออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนัมันจะโมโหเก่งถ้าอยู่ข้างไหนแล้วสบายแล้วเราก็ไม่ติดมันด้วยขึ้นมาครั้งแรกนะครับคุณพอ่อฝึกอยู่วัดไหนเคยอยู่วัดปะเคยครับเออภาวนาแบบไหนก็เคยภาวนามาหลายแบบครับคุณพ่อแต่ถ้าความคุ้นใจของผมก็คือว่าถ้าเราไปตีก่อในการปฏิบัติต่างๆอะมันไม่ใช่ถ้าถ้าเราไปตีก่อในการปฏิบัตินะครับ ไปคิงครับด้วยการปฏิบัติเกินไปมันไม่ใช่เพราะจิตของมันเน่ะจิตเติมแท้ของมันเป็นปกติอยู่แล้วทุกอย่างมันสภาวะมันก็ต้องพู้ตื่นโดยการในในตัวของมันเองอะไรก็ตามที่ไปซ้อนกับมันอะไรก็ตามที่ไปซ้อนมันก็มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นในการคิดที่เริ่มปฏิบัติแล้วตั้งมันฝังฝังไม่ค่อยออกอ่ะคือทำไมทำไมเพราะว่าอ๋อทำไมตัวนี้ต้องห่างนิดหนึ่งนั่นลดลงมาอีกนีดไม่ห่างห่างปากเรานิดหนึง ควมหมายหึงว่าอะไรก็ตามที่ไปซ้อนกับมันมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าจิตสภาวะของมันเป็นจิตเริ่มแร้ของมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นปกติถ้าจะรู้ก็คือมันรู้ตื่นเมืบางของมันในตัวของมันเองไม่ใช่ไปกําหนดและไม่ใช่ไปบังคับมันใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วะแต่ดูมากๆนะจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาะไม่โมโหโมโหง่ายป่ะต้องถามก่อนผมเป็นคนโมโหง่ายถ้าเราไว้ก่อด คือตอนเนี้ยสติตัวจริงของคุณยังไม่เกิดขึ้นนะก่อนจะบอกหลวงพ่อต้องระมัเราเดี๋ยวโดดขึ้นเตะเราก็ขี้โมโหต้องให้ตั้งหลักก่อนจะได้ไม่โมโหสติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นนะค่อยๆฟังนิดหนึงในนี้ต้องแก้ไขยังไงครับไม่แก้หัดรู้สภาวะไปทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วหัดสังเกตใจตัวเองไปจริตนิสัยของคุณหมอที่จะดูจิตใจมันชอบคิดอยู่ นะเพราะงั้นทํากรรมาฐานมาสักอย่างหนึ่งสมมุตินะสมมุติว่าพุโทโธสมมุติเงี้ยพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจหนีแวะไปคิดรู้ทันแลนะพุโทโธแล้วใจสงบรู้ทันใจฟุง้งซ่านรู้ทันหัดรู้สภาวะนั่นเองนะแล้หัดรู้สภาวะมากๆอยู่ในโลกข้างนอกนี้ก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะเช่นเราขับรถอยู่วันนี้เจอแต่ไฟเขียวสบายใจรู้ว่าสบายใจ เจอแต่ไฟแดงไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจรู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้อย่างเนี้ยต่อไปสติตัวจริงจะเกิดขึ้นเมื่อจิตจําสภาวะได้แลนะเหมือนที่ใครคนนี้บอกด้านนี้เมื่อกี้ทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้นั้นถ้าเมื่อไหร่สภาวะที่จิตรู้จกักเกิดขึ้นสติจะเกิดเอง นั่งฟังมาแต่เช้าได้ยินไหมคนที่เขารายงานหลวงพ่อว่ามันปฏิบัติเองนะสติเกิดเองไม่ได้จงใจถ้าจงใจจะเป็นอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เข้าไปบังคับอันนั้นไม่ถูกต้องความเข้าใจที่คุณรู้ในพื้นฐานนะถูกต้องแล้วนี่ต่อไปนี้ฝึกให้สติตัวจริงเกิดด้วยการหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอ่ะเบอเก้าหรือออไม่ชีมาด้หรอว่าไปไม่ชี้น้สกงพ่อเจ้าค่ะ อืจริงๆตอนแรกวันนี้คิดว่าจะไม่มีการไม่มีรายงานส่งมาเจ้าค่ะแต่ว่าเนื่องจากตอนมาเนี่ยมาด้วยความอยากอยากเต็มที่เลยค่ะคืออยากพาพาคณะมาสามคนเนี่ยค่ะพามาหมดเลยแล้วพอมาด้วยความอยากแล้วก็อตัวเองไม่พร้อ ม, มค่ะมาถึงนั่งแล้วก็ก็ยังง่วงอะค่ะง่วงมากทีนี้พอ ง, ง่วงแล้วก็อยากไม่อยากง่วงอยากจะฟั ง, งพ่อยรู้เรื่อง พออยากไปอยากมามันก็เออมันง่วงก็หลวงพ่อบอกว่าง่วงก็มันก็เป็นธรรมชาติอ่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าอืมเออให้ดูไปวันนี้ก็เลยง่วงก็ง่วงเนาะแล้วอยู่ดีๆมันก็หายง่วงอะจ้าค่ะเออมันสว่างขึ้นไปเองค่ะแล้วมันก็หายง่วงไปหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็เลยเลยรู้สึกชอบใจขึ้นมาอีกนะคะดีแล้วไม่ชีไม่ชีดดูไปอย่างนี้แหละนะจิตใจที่เดินอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วนะแล้วก็ พอพอรู้สึกชอบใจแล้วมันก็เลยเบาๆอ่ะท็อค่ะจิตที่เดินอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วแม่ชีระวังนิดนึงนะบางคนปฏิบัติแต่ไม่ใช่แม่ชีอปฏิบัติไปเสร็จแล้วมันไม่ย้อนเลยใจมันจะไปว่างๆอยู่ข้างนอกนะแล้วมันจะไปปรุงความเมตตาปลุงความอ่อนโยนอะไรขึ้นมาแต่ว่าดูเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจจริงหรอกแต่ว่าพอสภาวะอย่างนี้เกิดเนะี่ยจะคิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานกัน หลวงพ่เห็นสองสามคนแล้วที่เป็นอย่างนั้นที่ฝึกแบบที่แม่ชีเคยฝึกเมื่อก่อนอย่างพาพาให้ดูพออยากจะพูดนั้นพาให้ดูความอยากพูดนัความอยากพุ่มจะพุ่งอย่างรุนแรงเลยมันแรงว่าคนทั่วๆไปอีกก็จะรีบไม่ดูทําไมไม่รู้ไม่ชี้นะออกดว อ, อกไปว้างๆอางนี้ยใจก็จะไม่มีอะไรโล่งๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตที่ไปรู้รูปเนี่ยไม่มีกิเลสจิตที่ไปฟังเสียงไม่มีกิเลส กิเลสจะเกิดตามหลังมันตรงจากครูวิญญาณจิตจิตที่ไปดูรูปว่างๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วนี่พอเอาจิตไปจับอยู่แถวนี้บ่อยๆนะจับอยู่นอกๆอย่างเงี้ยมันเข้ามาไม่ถึงใจจะเห็นว่าไม่มีกิเลสเลยจะเห็นว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนเพราะใจไม่คิดอะไรต่อก็คิดว่าอันนี้เป็นทางเดินที่จริงใจไม่ตั้งมั่นพอพอไม่ชีดีแล้วนะใจตั้งมั่นแล้ว มากว่วเดี๋ยวจะเขานำพาไปเสียหายใช่ได้แล้วแม่ชีมีปัญหาว่าเวลาหนูมาฟังหลวงพ่อเดี๋ยวนะซึมเหรอรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออซึมรู้ว่าซึมนะค่ะหนูมีปัญหาคือเวลาหนูมาฟังหลวงพ่อค่ะใจหนูชอบเผลอไปคิดตลอดเวลาไม่ไมว่าใครเข้าฟังแล้วเขาก็ต้องคิดทั้งนั้นแหละ หนูรู้สึกเหมือนใจฟุ้งซ่านออกไปเป็นร้อยครั้งหนูก็เลยบังคับให้มันมาอยู่ที่กายไม่เอา <c oughs> ใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่บังคับนะค่ะ <c oughs> เวลาฟังใจมันจะคิดตลอดแหละมันฟังไปคิดไปนี่คนทั่วๆ่วไปนะนึกว่าฟังแล้วเข้าใจไม่ได้เข้าใจเพราะการฟังนะะคิดเอาเองฟังไปคิดไปแล้วก็นึกว่าเข้าใจเอาบางทีเข้าใจไม่ตรงกับที่หลวงพ่อพูดก็มี หลวงพ่อคะต่างยังไงกับการขาดสมาธิคะสมาธิเนี่ยนะเราพูดเอาเองว่าขาดสมาธิเนี่ยภาษาโลกโลกอย่างใจไม่ตั้งมั่นถือว่าขาดสมาธิแต่ในทางศาสนาพุทธเนี่ยสมาธิเนี่ยเกิดแก่จิตทุกดวงเลยจิตมีสมาธิทุกดวงแหละเพียงแต่เป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเท่านั้นสมาธิคือเอกขตตาเจตสิกการที่จิตมันไปรู้อารมณ์ได้อันเดียว มันรู้อารมณ์ทีลานทีรานจิตที่ฟุ้งซ่านก็มีสมาธิอยู่เพียง mm hmm. แต่ว่ามันจับอารมณ์นี้ปล่อยอารมณ์โน้นจับรวดเร็วมากเราก็ภาษามนุษย์เลยบอกว่าฟุ้งซ่านแสดงว่าไม่มีสมาธิหรือบอกเด็กสมาธิสัน้นอย่าว่าแต่เด็กสมาธิสั้นเลยใครๆก็สมาธิสั้นทั้งนั้นแ่ะเพราะสมาธิเกิดดับทีลักษณะจิตเดียวอีกอันหนึ่งที่ถามหลวงพ่อเวลาหนูเห็นปัมโกดแล้วมันดับไปอย่างนี้นะคะ mm hmm. ค่ะ หนูเห็นเหมือนกับโทษทีเแล้วเหลอแล้วค่ะค่ะหนูเห็นเหมือนกับพระอาทิตย์นะคะมันมันขึ้นแล้วมันก็ตกหนูไม่มีความรู้สึกว่ามันเกิดดับนะหนูเห็นเหมือนเห็นอะไรที่ เ, เออเห็ น, นอย่างนั้นก็พอแล้วนะคำว่าเกิดดับเลยเนี่ยมป็นคำสมมุติถ้าเราเห็นว่าสภาวะอันนี้เคยมีอยู่แล้วไม่มีอยู่้็เรียกว่าเกิดดับถ้าสติเวาไวๆน่าจะเห็นในจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะจะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นรู้ออกไหมมีช่องมาขั้นนะ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขัา้นจิตแต่และดวงเนี่ยขาดออกจากกันอันนั้นแหละขึ้นวิปัสสนาจริงๆเลยเอาๆส่งมาให้จันตูหนะ่อยจันตูจะลาพันนะ่ะอือคือว่ามันเห็นเฟรมอย่างงี้ น, นะคะหลวงพ่ อ, อจนน่ากลัวเพราะว่าคือมันมันไม่มีอะไรที่มันต่อเนื่องมันไปไม่มีต่อเนื่องหรือสันตติเนี่ยมันภาพลวงตา คือหนูเห็นที่หนูกล้วยสุดคือตอนขับรถอะค่ะหลวงพ่อเพราะมันวิบหายไปแล้วก็มันก็กลับมาอีกแล้วมันก็หายไปแล้วกลับมาอีกคือถูกเกิดอาการโกรธอุบัติเหตุอะค่ะก็อย่าไปขับมัน <c oughs> จิตนะั้นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะตลอดเวลาไม่ใช่ until. อันเดียวใช่ค่ะส่งไปข้างหลังหน่อยไปดับเ่ยหลวงพ่อเออตอนนี้ก็คือตามดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ว่าบางครั้งก็รู้ว่าเผลอเพ่ง เออดีที่รู้อืมมันจะคิดคือเมื่อวานเนี้จะคิดโอ้โหนีคิดเยอะมากระหว่างที่ที่ดูคิดต้องคิดนี่แล้วก็กลับมาแล้วก็เผลอไปเพ่งอีกก็รู้ว่าเพ่งเขรู้เพ่งก็รู้ว่าเผลอแล้วก็มาดูดีแล้วดีแล้วที่เพ่งแล้วก็รู้ว่าเพ่งแล้วมันเลิกอ่ะแต่ว่าเป็นการเพ่งเบาๆอ่ะให้าค่ะถ้าเพ่งแรงๆมันไม่เลิกเพ่งแรงแล้วมันจะค้างอยู่งั้นแหะหลายวันหลายเดือนแล้วก็มันก็สลับกันไป คำว่าสลับกันไปอ่ะแสดงว่าสภาวะแต่ละอันทนอยู่ไม่ได้<ร>นั่นแหละไป<ต>เองแล้วค่ะเขาไปเองเขาไปเองคือเร า, เ, ราเออเขามาจากเหตุนะไม่มีเหตุเราก็ไปไม่ใช่เราบังคับเขาได้แต่ก็ดูไปอย่างนี้ถูกแล้วถูกล้กลมันจะมีสภาวะสามัญเผลอไปแล้วก็รู้สึกพอรู้สึกก็บังคับนะพอบังคับมากๆก็โมโหมันแล้วไม่ชอบนี่ไม่ชอบนี่คือหลงไปอีกแล้ว รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคือรู้อีกละจะหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยแต่แต ว, ว่าไงนะเวลาคือโมหะเกิดอะไรเงี้ยมันจ ะ, ม, นจะมันจะตามได้เร็วเดี๋ยวนี้มันจะเร็วมากอเออดีสิโมหะดูยากนะใจฟุ้งซ่านโมหะดูยากใจลังเลสงสัยลังเลสงสัยตัวโมหะนะมันจะสงสัยแล้วก็คิดสงสัยแล้วคิดไปเรื่อยๆแต่ก็ดูๆจนเขาดับแล้วก็าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปอีกไม่ใช่ ด, ดูให้เขาดับนะ แต่ดูตามที่เขาเป็นไม่ใช่ดูแล้วรุ้นเมื่อเมื่อไหร่จะดับคเหมือนแบบว่าค่อยๆอ่อนมันค่อยๆจางลงจางลงเออเดินไปอ่ะสงต่อไปนรัตนาสการหลวงพ่อโนทิรามามาที่นี่ก็ได้รับความรู้เยอะได้มาฟังหลวงพ่อบรรยายก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะค่ะ ดีแล้วเนาะยมสบายใจนะรู้ว่าสบายใจนะเดี๋ยวออกไปกระทบโลกข้างนอกไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจก็นึกถึงหลวงพ่อนะดูดูอยู่แค่เนี้ยว่าสบายใจก็ชั่วคราวนะไม่สบายใจก็ชั่วคลาวดูทุกอย่างเห็นเป็นของชั่วคราวคือมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติอยากจะขอคําแนะนำหลวงพ่อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแม่ชีทําอะไรอยู่ อ่าตอบถูกอ่าเบอร์เจ็ดสิบเอดเชิญอยากจะขอคำแนะนําหลวงพ่อในการเริ่มปฏิบาาัติะค่ะเริ่มปฏิบัตินะเราเป็นคนคิดมากเราดูใจของเราไปใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแล้งรู้สึกไหมวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกั น, นเช้าสายไปเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนเรื่อยๆค่อยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป พอดูได้ชั่นี้ชั่นาญเราจะเห็นว่าแต่ละขนาดก็ไม่เหมือนกันขนาที่มองเห็นความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งขนาที่ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือใจไปคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจมันจะทํางานอะไรก็ได้แต่ให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองนะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนทั้งมันลองดูอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติหรอกแค่คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแล้วมาส่งกันบ้านนะ ธรรมะเรียนเราต้องทำนะนไม่ใช่เรียนเล่นๆธรรมะของจริงจังนะแต่เวลาปฏิบัติต้องมีความสุขจริงจังแบบมีความสุขฟังรับแตลกนะข <c oughs> ี้เกียจไม่ได้จริงจังหม่อมคลึกฤทธ์นะแกฉลาดนะแกบอกว่าคนโบราณเนี่ยสร้างพระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยสร้างพระพุทธรูปสื่อถึงธรรมะที่ต่างกัน สมัยสุขโขทัยเนี่ยพระจะเป็นเส้นที่เรียวบางพลิ้วดูเบาสื่อว่าธรรมะเป็นของที่เบาสบายอพระเชียงแสนนะอ้วนๆยิ้มๆอ้วนๆ น, นะสื่อว่าธรรมะเนี่ยให้ความอิ่มเอิบพระอูทองหน้าเหลี่ยมๆดูดูสื่อว่าธรรมะเป็นเรื่องจริงจังนะ ออมาพระรัต น, นโกรรสินรัตนโกสินหรือปลายปลายยุตยาพระงเครื่องยุคนี้พวกบ้าสมบัติเยอะ <c ười> มาถึงยุคเรานี่ดูรู้สึกไหมพระมั่วๆใครอยากสร้างอะไรก็สร้างมั่วไปเลย <c ười> พวกไม่มีธรรมะไม่เข้าใจธรรมะอะไรสักอย่างเดียวใ่เ <c ười> ก่งนะแแกคิดเก่ง ตามนมมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือมีคําถามต้องการอยากจะเ ร, เรียนถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ขี้หูหงิดนะคะณ เ, นะนะนะนะเหตุนะหการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันเราสามารถจับใจเราได้จับจิตเราได้ว่าเราโมโหอยู่นะคะว่าอย่างเช่นว่าโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วเรากำลังจะไปรับแล้วพอไปรับเสร็จเราไม่อยากรับสายนั้นเลยเราใจมันขึ้นมาเลยว่าหูหงิดแล้วเราก็ดักตามบันทันว่าหูหงิดหนอ นะคะคือจับทันว่ามันหมุนหงุดหงิดแล้วนาทีที่มันจับทันเสร็จปุ๊บเนี่ยความหงุดหงิดมันจะลดลงแล้วพอลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจับตามมันต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะว่าความรู้สึกณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรต่อไปหลวงพ่อถามนิดนึงหงุดหงิดเนาะเพื่ออะไรคือเหมือนถามว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าจับจิตเราอยู่ตอนนั้นว่ามันหมุนหงุดหงิดขึ้นมาพอดีเลยแล้วเรารู้สึกว่าแล้วทำไมต้องหงุดหงิดเนาะล่ะหงุดหงิดเนาะเป็นส่วนเกิดแล้ว ในขณะที่หงุดหงิดเนี่ยจิตเป็นอกุศลมีโทสะในขณะที่รู้ว่าหงุดหงิดจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นจิตฟุ้งซ่านนะตรงที่หงุดหงิดนอเนี่ยจิตตกจากการรู้สภาวะเพราะตรงนั้นเป็นจิตคิดจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยคนละดวงกันนะดังนั้นจิตจะตกจากวิปัสสนาเลย แต่ถ้าเราเริ่มต้นเราฝึกหงุดหงิดหนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้จักว่าเนี่ยสภาวะของความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะอย่างนี้ยังเผานได้นะเป็นการเตือนตัวเองแต่ไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาต้องไม่เจือด้วยความคิดแค่ว่าเราจับความรู้สึกของเรานะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้รู้จจความรู้สึกในปัจจุบัน่ะจะเห็นรนความรู้สึกที่รุนแรงพุ่งขึ้นมาแล้วก็ดับอย่างนี้เรียกวิปัสสนานะแต่ถ้าความหงุดหงิดเกิดหงุดหงิดหนอ เพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อกี้อันนี้เยังพอตนได้แต่ยังไม่ใช่วิปัสนายังเจือด้วยการคิดการคิดเนี่ถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ว่าตรงที่ยังคิดอยู่เนี่ยสูงที่สุดไปได้แค่สัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นอุทตยพยายาิยญาณยังไม่ขึ้นวิปัสนาวิปัสนาต้องเห็นสภาวะเกิดดับเห็นสันสติขาดหรือถ้าอย่างนี้ยิ่งแย่ใหญ่หงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดเนาะเพื่อให้หายหงุดหงิด นะนี่สมถะเน้นสภาวะเราต้องชัดนะว่าขณะนี้เราทำอะไรถ้าเราจะหลงทำสมถะเราคิดว่าทำวิปัสนาพออาการของสมถะเกิดเช่นคนลุกสู้ซ้าเหมือนตัวอะไรตายอะไรเราจะไปคิดว่าวิปัสนาญาณไม่ใช่ญาณ น, นะหรือผงาหน้าผงานหลั ง, ลงไม่ใช่ญาณ น, นะญาณไม่ใช่อาการทางร่างกายญาณเป็นชื่อของปัญญานมัสการหลวงพ่อคะ่ะ ทั้งทั้งหลังค่ ะ, อะขอเรียนถามคําถามต่อที่ที่เมื่อสักครู่หลวงพ่อถามบอกว่าถ้าอาการที่นั่งสมาธิแล้วมีอาการผงาดหน้าผงาดหลังขมลุกสู้น้ําตาไหล <c oughs> ไม่ใช่วิปาาัสนาญาณแล้วเป็นอะไรคะเป็นเป็นปีติเรียกว่าปีตินะปีตินี่เกิดจากการทําสมถะทําไมมันเกิดปีติไดท้ทั้งทั้งที่เราดูท้องพองยุบหรือเรายกเท้ายั่งเท้า เพาเราขาดบทเรียนไปบทหนึ่งบทเรียนของพระพุทธเจ้านะสีลสิกขาเรียนเรื่องศีลจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตปัญญาสิกขาเรียนเรื่องรูปนามอยู่ๆเราถือสีนปุ๊บเรากระโดดไปรู้รูปนามเราข้ามไปบทเรียนหนึ่งแล้วเราไม่รู้จักว่าจิตยังไงเป็นจิตที่ทําสมถะจิตยังไงทํำวิปัสสนาจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลดงั้นเวลาเราอยากปฏิบัติเนี่ยความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นมีความอยากนะนี่โลภะนะความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นก็เกิดการกําหนด การกําหนดเนี่ยเกิดจากการจงใจกําหนดเพราะฉนั mm ้น hmm. มันจะไม่ใช่วิปัสสนาจริงมันยังเจือด้วยโลภะอยู่ยังมีความจงใจอยู่จิตดวงนั้นยังเป็นอกุศลอยู่นะนี้แต่ว่าอากุศลเนี้เราเพ่งมากเข้ามากเข้านี่ยนะจิตเกิดความสงบได้อย่างเวลาที่เราดูท้องพองยุบเนี่ยหรือรู้ลมหายใจหรือขยับมือสายลงพระเทียนขยับมือถ้าเราส่งจิตของเราแนบไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ ส่งจิตแนบไปอยู่ที่ท้องส่งจิตแนบไปอยู่ที่เท้าส่งจิตไปแนบกับลมหายใจหรือแนบกับมืออันนี้เรียกว่าอารม์มนูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งอารมณ์เนี่ยคือการทําสมถะกรรมฐานนะเพรานันใจเราจะไม่ดิ้นไปที่อื่นนะใจจะเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องพอเราทําสมถะไปนานๆ น, น, นี่นะปีติก็เกิดขึ้นมาอาจจะคนลุกสู้ซา ข, ขึ้นมาน้ําตาไหลนะ เกิดอาการทงะบ้างเกิดรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแลบเกิดรู flor, ้สึกตัวเบาตัวจะลอยเกิดรู uh ้สึกต <t> uh ัวโครงโครงนสิ่งเหล่านี้คืออาการของปีติเกิดจากการทําสมถะได้แก่การเพ่งเพ่งท้องนั่นเองเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งลมหายใจเพ่งมือเหมือนเหมือนกันหมดนะเพ่งอะไรก็ติดอย่างเดียวกันเพราะมันได้สมถะแต่เสร็จแล้วพอใจถอยออกมารับรองว่าไม่ละกี่เลยหรอก ติเลตไม่ได้ราด้วยวิธีนี้หมายความว่าหลวงพ่อแนะนําให้ใช้วิธีอื่นเหรอคะไม่ใช่ใช้วิธีนี้ก็ได้ะแต่ว่าพอจิตมีปีติเช่นผลลุกผลชันขึ้นมานะก็ตามรู้ไปเหมือนเห็นคนอื่นขนลุกขนชันเนี่ยดูท้องฟองยุบก็ได้แต่เหมือนเห็นเราดูคนอื่นที่มีท้องฟองยุบใจของเราเป็นคนดูแยกรูปแยกนามซะตัวแรกเลยต้องแยกรูปแยกนามนะ ร่างเคลื่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูี่ยต้องอย่างนี้แต่ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับกาย น, นี้เป็นสมถะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปที่กําลังเคลื่อนไหว น, นี่ทำวิปัสสนานะสมถะกับวิปัสสนานี้อาการจะต่างกันแล้วก็ควรถามหลวงพ่อว่าอย่างที่ฉันนะควรจะปฏิบัติด้วยจะถึ<ม>ไงไหนคะเคยทําอะไรก็ทําไป อย่างดูท้องพองยุบเนี่ยนะการดูท้องพองยุบเนี่ยจิตแยกได้สี่ทางอย่างที่หนึ่งดูท้องพองยุบแล้วเผลอไปคิดเรื่องอื่นเลยนะอันนี้ใช้ไม่ได้ขาดสตินะอันที่สองดูท้องพองยุบแล้วจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องแล้วก็เกิดปิติเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้ได้สมถนะเป็นที่พักผ่อนได้สมถะไม่ได้เกิดปัญญานะไม่ใช่ว่ามันผิดนะมันถูกแต่มันถูกอย่างสมถะ อย่างที่สามเราดูท้องของยุบไปเราเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากเราเห็นมันเหมือนกับเป็นคนอื่นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยใจอยู่ต่างหากนะใจเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียด้วยอันนี้เราจะเห็นเลยร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ไม่คงที่นี่เป็นการเดินมิป ส, สนาด้วยการรู้กายอย่างที่สี่ อย่างที่สี่เนี่ยเราดูท้องพองยุบไปจิตแอบไปคิดเราก็รู้จิตไปเพ่งท้องเราก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็รู้รู้ไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกดูจิตงั้นทาท้องพองยุบต่อไปก็ได้แล้วจิตไปเป็นสมถะก็รู้นะจิตเดินวิปัสสนารู้กายก็รู้จิตไปทําวิปัสสนาดูจิตก็รู้อย่าไปเข้าใจว่าสมถะเป็นวิปัสสนาเท่านั้นก็พอแล้วไม่ได้ผิดนะที่ทําอยู่มันถูกแต่มันถูกแบบสมถะ นี่เพียงแต่ว่าเราไปคิดว่าสมถะเป็นวิปัสนาถ้าคิดว่าทําสมถะเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรจิตใจสงบจิตใจได้พักผ่อนแต่ถ้าคิดว่าทําสมถะแล้วเป็นวิปัสนาเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้ในคมกิเลสได้ชั่วคราวในวัดหลวงพ่อก็มีนะคนได้ยานร้อยหกสิบแล้วได้ผ่านมาสิบรอบแล้ว <c> ท <oughs> ิฏฐินาฏเนะี่ยณพัทลุงเนะี่ย มีอีกคนหนึ่งผู้หญิงจะไม่ได้อยู่วัดหลวงพ่อนะลงมาจากทางเหนือเหมือนกันคนนี้นั่นแกได้ยานอย่างเนี้ยไม่รู้กี่สิบรอบแล้วอาจารย์ก็พยาย ก, ก่อน่าเป็นพระรหันต์มาหลายรอบแล้วนะเดกวันหนึ่งแกก็ไปหาอาจารย์นะดิฉันสงสัยว่าจะถูกหลอกนะไม่เห็นมันล่ากิเลสเลยแกเข้าสมาธิทีหนึ่งเจ็ดวันอะไม่หายใจไมก่กระดุกกระดิกอะไรอยู่งนะั้นน่ะเจ็ดวันเงียบ แกพบว่ามันไม่ละ ก, กิเลสอาจารย์โมโหนะอาจารย์ไล่มาแกลงมาที่กําแพงเพชรไปเจอแม่ชีนายกแพงเพชรแมเล่าบอกสงสัยเราโดนหลอกมั้งดิฉันสงสัยดิฉันถูกหลอกสี่สิบปีแม่ชีบอกฆ่าถูกหลอกหกสิบปีที่จริงไม่ได้ถูกหลอกอะไรหรอกมันเป็นสมถะมันแยกให้ออกว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาเท่านั้นแหละ ลองดูท้องฟังยุบไปดูของจริงเลยทำวางไมโครโฟนนะวางแล้วกำหนดท้องพังยุบไปคือลูกยังไงคะลองหลายสายหลายแนวมาไม่ใช่ไม่ลองทำท้องพังยุบไปหลวงพ่อจะพาให้ดูว่ามันเป็นสมถะยังไงปฏิบัติไปเลยเหมือนที่ทำจริงๆริอ่ะลืมหลวงพ่อเสียเนี่ยรู้สึกไหมเราถลําลงไปจ้องใส่มันจิตเราเคลื่อนลงไปจ้องมันรู้สึกไหม นี่แหละตัวนี้แหละที่พลาดละมันไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นแต่มันกระโจนลงไปนอนแช่อยู่ที่อารมณ์มันคือการเพ่งอารมณ์ <c oughs> การเพ่งอารมณ์นี่แหละคือสมถะละ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาดูท้องพองยุ่มนะถ้าใจเราไหลไ ป, ไปตรงนี้นะให้รู้ทันว่าใจไหลลงไปแล้วรู้เฉยๆนะไม่ห้ามนะ <c oughs> ถ้าใจไหลลงไปแล้วรู้ทันไหลลงไปแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยวจะผ่านไปได้อะใครได้อีกคนนึงครับคนสุดท้ายในมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากถามว่าที่หนูปฏิบัติอยู่นี้มันเดินทางมาถูกทางแล้วหรือยังคะยังนะสติตัวจริงยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมตื่นเต้นค่ะเออใจตื่นเต้นแล้วก็ไปคิดรู้สึกไหมหนีไปคิดหนีไปคิดให้รู้ทันว่าหนีไปคิดนะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหม อ, อให้หัดรู้อย่างนี้นะจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ฝึกไปเรื่อยเนี่ยเผลอแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองแะเวไหมพอหันตัวปับ๊บเราลืมไปเลยแต่การรู้สึกตัวไม่ใช่กําหนดนะไม่ใช่จงใจหันอย่างนี้นะนั่นแกล้งทํามันเจือด้วยโลภเห็นไหมลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมเ<ๆ>นี่ยฝึกอย่างนี้นะใจเผลอไปเรารู้เผลอไปเรารู้นะ อ่ะพอแล้วยังเหนื่อยแล้วอ่ะเชิญโยมกลับบ้านไปหลวงพ่อไม่มีพิธีดีตองนะถึงเวลาหมดเวลาเราไล่เลยไปเชิญต่างคนต่างไปการปฏิบัติทำเอาเอง